ในเจริญพรเราจะมาฟังธรรมะ ก, กันเห็นเขียนไว้ในริฟรเรื่องอะไรนะทางคนทุกข์อะไรก็สําคัญที่สุดนะเพราะว่าสาระสําคัญในคําสอนของพระพุทธศาสนานท่านสอนไว้ในเรื่องความทุกข์กับทางคนทุกข์ท่านนี้นทุกข์กับทางดับทุกข์ ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความทุกข์กับการดับทุกข์เราก็คือเราเข้าใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าความทุกข์ในชีวิตเรามันดับดับได้จริงๆรงิมันไม่ใช่ปรัชญาพูดอะไรเล่นๆ่อยๆมันไม่ใช่การสร้างกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีอะไรบางอย่างนะเพื่อให้สังคมสงบเรียบร้อยศา ส, สนาพุทธไม่ได้ตื้นอย่างนั้น ถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราถอดถอนความทุกข์ออกจากใจของเราได้จริงจรงแล้วใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่นานคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศ จ, จรรย์ถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองในเวลาสั้นๆแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะเอาแต่อ่านเอาแต่ฟังอะนก็ไม่ได้ผลอะไรไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ได้ พอพูดถึงความทุกข์ถ้าเราสังเกตให้ดีชาวโลกอย่างพวกนักจิตวิทยาพวกอะไรพวกนี้เขาจะมองว่ามันสัมพันธ์กับความอยากว่ามีความอยากแล้วก็ไม่สามารถสนองความอยากได้ความทุกข์ก็เกิดเขาก็ฉลาดของเขาเหมือนกันเขาเห็นนะคนมีความต้องการมีความอยากนะถ้าสนองความต้องการได้ก็มีความสุขถ้าสนองความต้องการไม่ได้ก็มีความทุกข์ตรงนี้มันทา นะคนที่เป็นนัก ป, าปราศไปเลยเขาก็มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความอยากกับความทุกข์นี้พอมาถึงวิธีที่จะพ้นทุกข์มันก็เลยมี2วิธีถ้ามีความอยากเนี่ยสนองความอยากได้ความทุกข์ก็ไม่มีเขาคิดอย่างนี้อีกพวกหนึ่งเห็นว่าความอยากนะสนองมันเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่พออยากได้รถราคาแค่นี้นะเขาได้มาเดี๋ยวก็อยากได้รดราคาแค่นี้อีกความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อย ก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความอยากของมนุษย์พวกนักปรัชญาอีกกลุ่มหนึ่งก็เลยมองว่าทํำยังไงเราจะจํากัดความอยากได้พวกหนึ่งจะทํำยังไงจะสนองความอยากได้เราจะพ้นทุกข์พวกหนึ่งทํำยังไงจะจํากัดหรือกําจัดขั้นสุดท้ายจะเป็นกําจัดความอยากได้เพราะตัวความอยากเนี่ยมันโยงกับความทุกข์แล้วแต่สติปัญญาของคนนะ ถ้านักเศรษฐศาสตร์สายตะวันตกอะไรนี้เขาก็พยายามเพิ่มความสามารถในการบริโภคเพิ่มความสามารถในการผลิตอะไรเงี้ยจะได้บริโภคได้เยอะสนองความอยากได้มากเพ่มีความสุขถ้าทฤษฎีนี่จริงนะคนรวยจะมีความสุขกว่าคนจนซึ่งในทางปฏิบัติจริงเราจะพบว่ามันไม่ใช่คนที่รวยไม่จำเป็นต้องมีความสุมากกว่าคนที่จนคนรว ย, รวย เรียมากกว่าคนจนสิ่งก็มีนะ mm hmm. พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าห่วงน้ําเสมอด้วยตัณหาคือความอยากเนี่ยไม่มีหมายถึงใหญ่โตมากเลยน้ําท่วมประเทศไทยเรื่องเยอะลงไปถึงทะเลก็ยังไม่ท่วมทะเลจมไปไหนก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยสนองเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดงั้นความทุกข์ก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดไปด้วยแค่เริ่มอยาก แค่เริ่มอยากจะสนองได้หรือสนองไม่ได้มันก็ทุกข์แล้วอันนี้สำหรับคนที่ภาวนาเป็นนะคนที่ภาวนาไม่เป็นหรือชาวบ้านทั่วๆไปนะเขาเห็นว่าถ้ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้อย่างที่อยากนึงจะทุกข์แต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นลึกซึ้งไปแค่มีความอยากก็ทุกข์แล้วละ่ะจะอยากแล้วจะสมก็อยากหรือไม่สมอยากเนะี่ยแค่อยากก็ทุกข์แล้ว นี่พวกเราลองมาสังเกตใจเราจริงหรือไม่จริงพอมีความอยากเกิดขึ้นเราสบายใจไหมใจจะถูกผลักดันทันทีเลยนะใจจะถูกบีบคั้นทันทีเลยอย่าโสดเรามีเงินมากเราอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่เราเห็นอยู่เครื่องหนึ่งไม่มีใครเหมือนยฝังเพชร ด, ด้วยสมมตอย่างนี้อยากได้ไปเห็นมาแล้วนะกลับบ้านมารีบเบิกเงินจะไปซื้อละขนาะที่เดินทางไปซื้อนะใครเขาซื้อไปหรื อ, อยังก็ยังไม่รู้น ไม่สบายใจหรอกจนกว่าจะได้มางั้นแค่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติละเพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรานะเข้ามาสู่การกำจัดความอยากออกจากใจให้ได้ความอยากนั้นเป็นความต้องการซึ่งเกินจากเบสิคมินิมัมนีดถ้าอยู่ในระดับเบสิ c มินิมัมนิดเนี่ยความต้องการตัวนี้เป็นความต้องการที่แท้จริง ความต้องการเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่จริงๆอย่างคนนี้ต้องการอาหารแต่ไม่ได้ต้องการหูฉลามไ ม, ไม่ใช่ต้องการพิซซ่าไม่ใช่อะไรคนต้องการอาหารเราต้องการเสื้อผ้าไม่ใช่ต้องยี่ห้อนี้ต้องการยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันเกินกว่าเบสิกมินิมัมมนี้ลมันเป็นความต้องการที่สนองความรู้สึกไม่ใช่สนองความจำเป็นพระพุทธเจ้าสร้างสังคมตัวอย่าง ของคนซึ่งจะอยู่ในระดับต่ำสุดคือสร้างสังคมพระขึ้นมาพระมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวนะอยู่ชุดเดียวถ้ามีสองชุดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องมีกระบวนการเ ข, า, ขาเรียกว่าต้องไปเป็นเจ้าของร่วมนะเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับพระองค์อื่นอีกองหนึ่งองค์อื่นเอาไปใช้ก็ได้นะถ้าเรามีเกินนะ อาหารท่านก็สอนนะให้บินทบาดเนะัติคนเรากินอะไรนักหนานะจริงจริงกินที่เดียววันหนึง่งพวกเรารู้ไหมวันหนึ่งเรากินข้าวกี่คํารู้เปล่ากินข้าวมันตั้งแต่เกิดมไม่รู้หรอ <c oughs> กินไม่มากหรอกยี่สิบสามสิบคำเองวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งนะกินไม่มากหรอก <c oughs> เสื้อผ้าใส่วันละกี่ชุดเนะื้ ก็ใส่มีนิดเดียวนะไม่ได้มีเยอะอะไรไม่ได้ใช้อะไรเยอะนั่งรถได้ครั้งละกี่คันไม่ได้คันเดียวนะทีละคันเราไปงานศพต้องใช้รถดำํำไปงานแต่งงานต้องใช้รถแดงอย่าเงี้ย น, นะพระเจ้าสร้างสังคมให้เราดูนะสังคมอุดมกติสังคมของพระให้ดูว่าสังคมที่บริโภคเพื่อจะอยู่จริงๆนะนะมันใช้ทรัพยากรไม่มากหรอก แต่สังคมที่จะสนองความอยากใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ก็ไม่พอนะงั้นความอยากเนี่ยไม่เพียงแต่กระทบทำลายความสุขส่วนตัวของเราเท่านั้นนะมันยังกระทบสังคมส่วนรวมด้วยมันเกิดการแย่งชิงกันแนะย่งทรัพยากรแย่งอะไรกันทำยังไงจะทำลายความอยากไดนะ้ของพวกเราอาจจะไม่ถึงขั้นทำลายความอยากทำลายความอยากได้เป็นพระอรหันต์ชีวิตจะมีความสุข ที่เต็มอิ่มสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยมีความสุขอย่างมหาศาลที่ไม่เคยนึกว่าจะมีนะถ้าพวกเรายังไม่ถึงขั้นจะทำลายความอยากเรามาลดละความอยากตัวความอยากนี่มันก็มีเหตุของมันความอยากมันมาจากความไม่รู้อาศัยความไม่รู้คือตัวอวิชชานก็จะเกิดความอยากขึ้นมา เคยๆๆได้ยินคำว่าอาวิชชาบ้อวิชชาไม่ใช่พูดเล่นๆนะอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ ส, ส์ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทยัยไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรต่อทุกข์ไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรต่อสมุทยัยต่อนิโรธต่อมรรคการทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้น ถ้าเรารู้ความจริงว่าอะไรคือทุกข์เรามีหน้าที่อย่างไรต่อทุกข์แล้วเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะเป็นตัวละสมุทัยได้อย่างเด็ดขาดเทศยากไปไหมถามความเห็นก่อนยากไปรเปล่าบางคนว่าไม่ยากบางคนว่ายากนะ้วถือว่าพอดีพอดีถ้าเน้น <c oughs> ถ้าเราอยากขจัดความอยากออกจากใจเราลองมาสังเกตดูวันวันหนึ่งเราอยากอะไรบ้าง ความอยากเยอะแยะเลยใช่ไหมเคยได้ยินไหมกิเลสตันห้ตันหาร้อยแปเนี่ยเยอะแยะเลยความอยากแต่จริงๆนะถ้ายอ่อย่อลงมามันก็แค่อยากให้กายอยากให้ใจนี้เป็นสุขอยากให้กายอยากให้ใจนี้พ้นทุกข์มันเท่านี้เองอหะมันอยากความอยากทั้งหลายมันเกี่ยวเนื่องกับกายกับใจของเราเองมันไม่มีอย่างอื่นหรอกสังเกตให้ดีอยากเป็นเจ้าโลกเพื่ออะไรสนองความต้องการทางใจใช่ไหมไม่ได้ได้ทรัพยากรมามหาศาลมันบริโภคไม่ได้อยู่ดี อยากใหญ่อยากโตอะไรนี่มันสนองความต้องการทางใจงั้นจริงๆแล้วความอยากทั้งหลายเนี่ยมันย่อลงมานะมันก็แค่ว่าอยากให้กายอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายอยากให้ใจพ้นทุกข์ถ้าเราจะทำลายความอยากได้ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้นะเราจะทำลายความอยากอันนี้ได้การที่เห็นความจริงของกายของใจได้เนี่ยเรียกว่าล้างอวิชชาได้ทาลายความไม่รู้ได้ เราคอยมาสังเกตดูวิธีที่จะทำลายความไม่รู้นะง่ายนิดเดียวก็ทำความรู้ให้เกิดวิธีทำความรู้ให้เกิดก็คือคอยสังเกตลงไปใช้การสังเกตการมันคล้ายคการทำงานวิจัยเราจะวิจัยในร่างกายวิจัยในจิตใจของเราจะดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจให้มากถ้าเราดูความจริงของกายของใจได้มากๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ เราจะหายโง่เราจะล้างอวิชชาได้เราจะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ในความเป็นจริงแล้วมีแต่ความทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่พวกเรายังมีอวิชชาเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างรู้สึกไหมในร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเราเราก็รู้สึกไหมจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง เรารู้สึกได้แค่นี้นะเนี่ยความรู้ความเข้าใจของเรายังไม่เต็มที่มันมีศาสตร์มันมีวิธีการอันหนึ่งที่จะทําให้ความรู้ของเราเต็มก็คือการเห็นตามความเป็นจริงคําว่าการเห็นตามความเป็นจริงแต่เป็นภาษาแขกก็คือคําว่าวิปัสส น, นากรรมฐานปัสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งแจ้งแปลว่าแจ้งรู้แจ้งรู้แจ้ ง, ร, จงรู้จริง มิปัสสนากรรมฐานก็คือเป็นศาสตร์เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะทําให้เราเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้นะวันใดที่เราเห็นได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้ร่างกายไม่มีความทุกข์เนี่ยจะหมดไปเพราะมันรู้ว่าเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาที่สุดเลยเพราะมันเป็นทุกข์อยู่อยากให้มันไม่ทุกข์เนี่ยเรื่องไร้เดียงสา ความอยากจะถูกทําลายเลยว่าอยากให้กลายเป็นสุขอยากให้กายพน้นทุกข์ความอยากให้กลายเป็นสุขก็ไม่มีเพราะมันรู้ความจริงแล้วกลายเป็นตัวทุกข์ไปอยากให้มันสุขได้ยังไงไปอยากของที่เป็นทุกข์ให้มันเป็นส่วนสุขขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันฉลาดนะมันหายโง่เฉะนั้นความโง่ความไม่รู้นี่แหละเป็นตัวผลักดันให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจเราจะรู้เลยว่าจิตใจมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ถ้าคนภาวนาไม่เป็นก็เห็นว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่พระอรหันต์นี่ท่านไม่ได้เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะท่านจะเห็นความจริงเลยจิตใจมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงว่าจิตใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากให้จิตใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นมันอยากทําไมมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสุขความอยากให้จิตใจมีความสุขก็ไม่เกิดขึ้น ทำไมจะต้องอยากให้ของที่เป็นทุกข์มันสุกมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้เป็นความอยากที่ไร้เดียงสางั้นหัวใจสําคัญในการที่เราจะเจริญปัญญานะทำวิปัสสนากรรมฐานนะคือเราจะต้องมาคอยเรียนรู้จนกระทั่งเราเห็นความจริงเห็นความจริงนะไม่ใช่สะกดจิตตัวเองให้เห็นนะเราจะได้เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้นะ ความอยากให้กลายเป็นสุขความอยากให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพน้นทุกข์ความอยากให้จิตใจพน้นทุกข์จะไม่มีความอยากอีกร้8ยแปดพันเกอะไรก็จะไม่มนะีความอยากทั้งหลายมันก็รวมศูนย์อยู่ที่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพน้นทุกข์เท่านี้เองนะนี่ทํำยังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะนี่เป็นาศาสตร์ที่สําคัญมากเลยการเรียนรู้ความจริงอย่างในทางโลกนะัเราฟังเลคเชอร์เราอ่านหนังสือนะหรือเราคิดเอา หรือเราวิจัยเอาหมมีวิธีหาความรู้ตั้งเยอะแยะเลยแต่วิธีหาความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื้องต้นอาศัยการฟังการอ่านให้รู้วิธีการเมื่อรู้วิธีการแล้วนะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจด้วยวิธีการที่เรียกว่าการวิจัยมนมีคำอยู่คํานึงนะว่าธรรมวิจยะเคยได้ยินไหมธรรมวิจยะธรรมวิจัยวิจัยธรรมะนะการเรียนในขั้น จะให้เกิดปัญญาจริงๆทำเหมือนงานวิจัยเลยเราจะเรียนเรื่องความจริงของกายเรียนเรื่องความจริงของจิตใจร่างกายก็มีเรื่องราวที่ต้องเรียนตั้งเยอะแยะจิตใจก็มีเรื่องราวที่ต้องเรียนตั้งเยอะแยะเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนเราไม่ได้เรียนกายทั้งหมดไม่ต้องเรียนใจทั้งหมดเราสุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกายกับใจมาเรียนเช่นเรามาดูร่างกายนี้เราไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรในกายนี้มากมายเราแค่เห็นว่าร่างกาย หายใจเข้าร่างกายหายใจออกเราดูไปเรื่อยๆร่างกายที่มันหายใจเข้านะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งร่างกายที่หายใจออกมันกเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแค่มีลมไหลเข้ามีลมไหลออกใจของเราเป็นแค่คนดูถ้าใจเราเป็นคนดูได้เราดูลงในร่างกายเห็นมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาอะไร เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความไม่เที่ยงเช่นหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกเนี่มันไม่เที่ยงการหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงการหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าเพราะอะไรหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์ลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิจะทุกข์ไม่ทุกข์ไหมหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าทุกข์นะเมื่อเราหายใจเข้าเพื่อจะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายพอหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์อีกแล้ว เราต้องหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์ในร่างกายเห็นไหมว่าความทุกข์เกิดขึ้นทุกคราวที่หายใจเข้าความทุกข์เกิดขึ้นทุกคราวที่หายใจออกความทุกข์มีอยู่เสมอทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับขยเื่อนเคลื่อนไหวเพราะเราหนีทุกข์นั่งนิ่งๆไม่กระดุกระดิกทุกข์นะต้องขยับไปเรื่อยๆหนีความทุกข์นี่เรามาเรียนความจริงของร่างกายนะ แค่รู้สึกอยู่ในร่างกายแล้วดูว่าจริงๆในร่างกายมันเป็นเงี้ยมุกจริงหรือหายใจเข้าก็มีแต่ทุกข์หายใจออกก็มีแต่ทุกข์นะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ใครว่านอนไม่ทุกข์บ้างกลางคืนนอนขยับไหมคลิกไหมคืนหนึงคลิกอี่ครั้งไม่รู้อีกแล้วถามอะไรไม่รู้เลยเรื่องของตัวเองไม่รู้สักเรื่องเลยกินข้าววันละกี่คําก็ไม่รู้นะนอนหลับอยู่คลิกตัวกี่ครั้งก็ไม่รู้นะประมาณ30 40ครั้ง แต่ละคนนะทำไมต้องคลิกเพราะมันทุกข์มันคลิกหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะน่าสงสารมากเลยเพราะงั้นเรามามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายแเราเห็นร่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆไม่เห็นจะมีตรงไหนเป็นสุขเลยความสุขเหมือนภาพลวงตามันคือช่วงที่ความทุกข์ลดลงพรความทุกข์เราเคยมีความทุกข์เยอะๆนะพอความทุกข์ลดลงเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละสุขในความเป็นจริงถ้าสติปัญญาเราพอเราจะพบว่า นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะไปหัดดูนะในจิตใจก็เหมือนกันเต็มไปของไม่เที่ยงความสุขในใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขอยู่นานไปไหมความสุขมักจะอยู่สั้นไปรู้สึกไหมความสุขเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์เที่ยงหรือเปล่าใครเคยอกหักถามจริงมีไหมในห้องนี้ใครเคยอกหัก กลาหารยกมือโอ้มีผู้กล้าหารหลายคนแล้วนะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะอย่างน้อยมีประสบการณ์ชีวิตแล้วเวลาอกหักมีความทุกข์มากไหมเหมือนกับโลกจะแตกเลยใช่ไหมอกหักถ้ารักมากๆนะเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักไปนะโอ้ทุกเหมือนโลกจะแตกเลยนึกว่าชีวิตนี้ไม่มีวันสดชื่นได้อีกแล้วแต่เสร็จแล้วมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงหรอกนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยง จิตใ จ, ใจของเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้สึกไหมร้ายก็ดีอะไรเยอะกว่ากันออถ้าคนภาวนาไม่เป็นต้องบอกดีเยอะเพราะนึกว่าฉันดีตลอดนะถ้าภาวนาเป็นี่รู้มีแต่ร้ายแต่ร้ายมากกร้ายที่สุดนะไม่เห็นมีดีเท่าไหร่ดีน้อยเต็มทีเลยวันๆนะตัวร้ายๆเนี่ยมันมีสามตัวเรียกราคะาโทสะโมหะหรือเรียกโลภะก็ได้นะโลภะโทสะโมหะคืออยากอยากได้ อยากได้อยากมีอยากเป็นพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่พอใจไม่แช่มชื่นใจนี่พวกโทสะพวกโมหะนี่พวกหลงหนะลงวันวันหนึ่งเราบางทีก็เกิดราคะใช่ไหมอยากโน้อนอยากนี้เห็นของสวยอยากได้เห็นสาวสวยอยากรู้จักอะไรเนี่ยเห็นหนุ่มหล่ออยากรู้จักอนะไรบางทีก็เห็นของไม่ชอบใจนะเห็นของไม่แช่มชื่นใจเห็นคนที่เราเกลียดนะแต่เวลาปกติเฉยๆนะี่ รู้สึกไม่ใจเฉยเฉยส่วนใหญ่นานนานโกรธทีนานนานโลภทีเฉยเฉยนี่มีมากที่สุดเลยแต่เฉยเฉยนะ่มักจะหลงใครรู้จักใจลอยบ้างใครใจลอยเป็นบ้างใครไม่เคยใจลอยยกมือสิมีไหมถ้ามีนะเสดงภาวนาไม่เป็นเลยชาตินี้ภาวนายากมากเลยในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนนะใจลอยแทบทั้งวันใจลอยแทบทั้งวันนะใจลอยนั่นแหละมีโมหะแล้วหลง ถ้าเมื่อไรลืมกายเมื่อไร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงลสังเกตไหมเรารู้สึกกายรู้สึกใจวันหนึ่งไม่มากเท่าไหร่เราลืมกายลืมใจมากไม่มหาศาลทุกคราวที่เราหนีไปคิดเรื่องนอนเรื่องนี้เราลืมกายเราลืมใจนะเรามีร่างกายเราก็ลืมไปเรามีจิตใจเราก็ลืมไปเนะนี่ยตัวหลงนั้นตัวหลงเนี่ยเป็นกิเลสยืนฟื้นเลยนะตัวโลภตัวโกรธอะไรนี่ค่อยมากค่อยค่อยน้อยลงไปนะมันก็เป็นลูกเป็นหลานของตัวหลง ตัวโลภเนี่ยเป็นลูกของตัวหลงตัวโกโรธเนี่ยเป็นหลานของตัวหลงเราอยากได้ก่อนเราไม่ได้ใช่หไหมไม่สบายใจโทสะเกิดสังเกตลงไปอีกใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงมีไม่โลภถาวรไม่มีมีไม่โกรธถาวรตอนเด็กๆใครเคยท่องมันโกรดร้อยปีามรดีร้อยชาติมีไหม uh huh. ได้แต่ท่องแหละ ไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ดีกันแล้วยิ่งเด็กๆก็ดูไหมทะเลาะกันแป้บๆเดี๋ยวมันก็ไปดีกันแล้วเพราะฉะนั้นโลภมันก็ชั่วคร้าวนะโกรธมันก็ชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูเราในใจเรานะสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวโลภก็ชั่วคร้าวโกรธก็ชั่วคราวใจลอยก็ชั่วคร้าวแต่เป็นชั่วคราวที่ยาวๆนะใจลอยวัดวัดหนึ่งใจลอยนานมากเลยเพราะฉะนั้นใจลอยนี่เป็นตัวร้ายที่สุดเลยในบรรดากิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ว่า ตัวโลภะเนี่ยตัวโลภะตัวโลภเนี่ยมีโทษน้อยมีโทษน้อยนะแต่ละยากตัวโทสะตัวไม่พอใจตัวไม่แช่มชื่นตัวอิจฉาตัวพยาบาทตัวโกรธตัวเครียดมีโทษมากแต่ละง่ายละง่ายนะกิโทสะเนี่ยโมหะนะมีโทษมากด้วยละยากด้วยด้วยยิ่งร้ายกว่าเพื่อนเลยหลงเนี่ยละยากที่สุดเลยมีโทษมากที่สุดเลย ว่ามันมีโทษยังไงก็เพราะหลงนั่นแหละถึงโลกก็เพราะหลงนั่นแหละถึงโกรธได้นะเพราะเราสังเกตไหมสัตว์อยู่กันฝูงใหญ่เนี่ยสัตว์จะฝูงใหญ่เบเร้อเลยนะธรรมะอะไรที่ทําให้มันไปเป็นสัตว์ความหลงนะโมหะเป็นคนมีน้อยรู้สึกไหมเทียบกับสัตว์ใช่ไหมปลาฝูงหนึ่งมีต้องเป็นหมื่นเป็นแสนตัวคนกว่าจะเกิดคนหนึ่งต้งนานทําไมสัตว์เดรัจฉานมีเยอะ มันเกิดด้วยโมหนะเพื่อนเยอะพวกหลงๆนะเพื่อนเยอะนะ mm hmm. สังเกตไหมหมาหรือแมวใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างมีไหมห้องนี้สังเกตไหมหมาแมวเวลามันอยู่เฉยๆมันใจลอยนึกออกไหมลองไปดูกลับไปดูที่บ้านนะเราไปสังเกตหมาแมวเรานั่งอยู่เฉยๆใจลอยไหมหมาบางตัวอารมณ์ดี mm hmm. อย่างนี้นะบางตัวก็เครียด mm hmm. นะไปดูหมามีแต่หลง นั่นเป็นฟูมของของเดรัจฉานงั้นตัวหลงเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยนี่พวกเราค่อยๆสังเกต เ, เราจะมาดูว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เที่ยงค่อยดูลงไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าใจเรามีปัญญาฉลาดอย่างนี้นะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเนี่ยชั่วคราวหมดเลยความอยากมันจะลดลงเห็นความไม่เที่ยงนะ ความอยากก็ลดลงเห็นทุกข์ความอยากก็ลดลงอย่างเราเห็นในร่างกายนี้เต็มไปไมได้วยความทุกข์นะร่างกายนี้แสดงทุกข์ง่ายมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งก็เมื่อยนั่งขยับไปขยับมาหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยดูลงไปร่างกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวเร็วก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นบ่อยๆในที่สุดจิตมันจะมีปัญญาขึ้นมามันจะรู้วว่่าาาทุกออยงงมัันขชครว ในเมื่อความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะอยากได้มันทําไมในเมื่อความทุกข์เป็นของชั่วคราวเราจะอยากให้มันหายไปเร็วๆทําไมนะมันก็มามันก็ไปตามเวลาของมันอย่างเวลาน้ําท่วมอยากให้ลดเร็วๆไหมนะก่อนน้าจะท่วมมีแต่ข่าวใช่ไหมน่าจะท่วมตรงโน้นจะท่วมตรงนี้อะไรอย่างเนี้ยบางคนฟังข่าวมากๆอยากให้มันท่วมรู้แล้วรู้รอดมีหมอ่าให้มันพ้นพร น, นไปสักทีอะไรจะเกิดให้มันเกิดสักทนะีนั่งรุ้นแล้วเ ห, หนื่อย เนีลองดูไปสิเวลาใจเรามีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นอยากให้น้ําท่วมเร็วๆทุกไหมทีแรกอยากให้ไม่ท่วมใช่ไหมพอมีข่าวว่าจะท่วมจะท่วมอยากท่วมท่วมๆไปให้มึงรู้แล้วรู้รอดอยากท่วมแล้วมันไม่มาสัทีกลุ่มใจนะอย่างแถวสุวรรณภูมิเนี่ยอยากให้น้ำท่วมมันก็ไม่มาสัทีไอ้ที่มันไม่นึกถึงมันก็ไฟท่วมดอนเมืองแล้วชื่อมันดอนนะนี่ไปผ่าท่วมได้เปประหลาดอีกนะเนี่ยมันเราไปดูนะเราไปดู หัดดูลงไปในใจของเราเลยนะทุกอย่างนี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวนะโลคโกรธหลงก็ชั่วคราวถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปมันจะเป็นกลางมันเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวมันก็ไม่หลงกับความสุขไม่เพลิดเพลินในความสุขทุกก็เป็นของชั่วคราวมันก็ไม่ไม่กลุ่มใจไม่เกลียดชังนะน้ําจะท่วมมันจําเป็นต้องท่วมมันก็ท่วมเลยไปอยากให้น้ํำลดเร็วๆมันลดไหมมันก็ไม่ลดใช่ไหม ยิ่งอยากให้น้ําลดเร็วๆยิ่งกลุ้มใครบ้านน้ำท่วมนะแต่เออท่วมก็ท่วมไปคนไทยเราเก่งอย่างนะเราปรับตัวเก่งพอน้ําท่วมบ้านนานๆเราก็ชินนะ่นะเนาะเนี่ยก็อยู่ได้ mm hmm. ก็อยู่จนได้แหละ mm hmm. เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ใจเราอยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเป็นของโชคราวเนี่ยความทุกข์ความอยากเนี่ยมันจะหายไปแล้วความทุกข์มันจะหายไปด้วยนะความอยากให้มีความสุขไม่มีความอยากให้พ้นทุก ไม่มีนะความอยากให้ดีไม่มีความอยากให้ไม่ชั่วไม่มีใจจะเป็นกลางเพราะใจปราศจากความอยากเนี่ยใจจะปราศจากการดิ้นรนปราศจากปราศจากความหิวโหวยนะถ้าใจเข้าถึงความเป็นกลางได้ด้วยปัญญาอันยิ่งใจจะมีความสุขมันจะพ้นจากความอยากไปนัน้นการที่เราจะพ้นความอยากได้เนี่ยเราต้องเห็นความจริงของกายของใจการจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เรื่องยากเกินไป เราสามารถรู้ได้ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเราเหมือนนักวิจัยไอตัวอ็อบเจกต์ที่เราจะวิจัยก็คือกายกับใจของเราเองค่อยสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยทำตัวเป็นออบเซ v ร์เวอร์เป็นคนดูเจะเห็นเลยร่างกายเดียเด๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกสุดท้ายปิ้ง ใจิตใจไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสุดท้ายก็ปิ้งเลยตัวอย่างในชีวิตนี้ไม่เที่ยงยชั่วคราวพอเห็นอย่างนี้ได้ความอยากจะหายไปค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากเกินไปหรอกที่มันยากเพราะเราไม่รู้วิธีบางทีตัญหาเกิดความอยากเกิดเราก็อยากละอยากละตัญหานะกลายเป็นว่ามีความอยากซ้อนความอยากอยากละตัญหาก็คืออยากมากขึ้นไปอีกนะแต่ก็ดีกว่าสนองตัญหานะ ปัญหาเป็นของที่สนองเท่าไหร่ไม่เต็มไม่อิ่มงนั้นใจของคนในโลกเนี่ยพล่องอยู่ตลอดเวลาหิวอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาคนหิวมีความทุกข์ไหมใจของเราหิวตลอดเวลานะดังนั้นใจเรามีความทุกข์อยู่ตลอดเลยถ้าเรามาฝึกมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจมากๆต่อไปความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจเป็นสุขความอยากให้ใจพ้นทุกข์ไม่มี ใจไม่มีความอยากใชจจะมีแต่ความสุขนะไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้ถ้ารู้วิจีวิธีการที่จะทําลายความอยากได้เด็ดขาดนั่ก็ทำลายความโง่ซึ่งเป็นรากเหง้าของความอยากนั่นเองความไม่รู้ความจริงของกายของใจพวกเราเคยได้ยินคําว่าอริยสัจใช่ไหมอริยสัจข้อแรกคือทุกข์อะไรคือทุกข์ไหม ถ้าปรากฏการของความทุกข์เนี่ยก็คือความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ใช่ไหมความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ความอยากและไม่สมปรารถนาเนี่ยเป็นทุกข์ความคับแค้นใจความร่ําไรลําพันเลยเนี่ยความเศร้าโศกเนีเป็นตัวทุกข์อันนี้จริงๆไม่ใช่ตัวทุกข์แท้เป็นปรากฏการณ์อะไรเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมใครเคยทําวัดเช้าบ้าง มีแม้ในห้องนี้ยกมือสีใครใครบทสวดบททำวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งนะบอกสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเคยได้ยินไหมว่าโดยย่อดโดยสรุปนะอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอุปาทานขันทั้งห้าคืออะไรก็รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาก็คือกายกับใจของเรานี่เองเพราะฉนั้นอะไรเป็นตัวทุกแท้กายกับใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุก นะพอมีกายมีใจซึ่งเป็นตัวทุกข์แล้วก็เกิดปรากฏ ก, การเช่นความแก่ความเจ็บความตายอะไรแก่ร่างกายแก่อะไรเจ็บร่างกายเจ็บอะไรตายร่างกายตายเนะฉะนตัวไหนเป็นตัวทุกข์จริงๆก็ตัวร่างกายเป็นตัวทุกข์ใครไม่สมปรารถนานะใครเจอสิ่งที่ไม่รกักใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใจของเราใจเราชอบคนนีนะ้ร่างกายเราไม่ได้ชอบใครนะแต่ใจเราชอบเขา เราพลัดพรากจากคนที่ชอบก็คือใจเราไม่ได้สมหวังในคนนี้ความทุกข์ก็เกิดเรานั้นตัวใจนั่นแหละตัวทุกข์นะส่วนการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์พราะฉะนั้นเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองเะฉะนั้นตัวทุกข์แท้ๆท่านถึงบอกว่าโดยสรุปโดยย่อนะั้นะตัวขันห้านะนั่นแหละคือตัวทุกข์ขันห้าบางคนไม่รู้จักนะ ขันหไม่รู้จักไม่เป็นไรขันหย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา น, นั่นเองรูปธรรมก็คือตัวที่ประกอบเป็นร่างกายนี้ประกอบด้วยรูปอะไรบ้างก็รูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประกอบกันอะไรประกอบเป็นจิตใจเราความรู้สึกต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆความรับรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกความจาได้ความหมายรู้ ความคิดดีความคิดร้ายปรุงดีปรุงร้ายแล้วก็ความรู้ความรับรู้ความรับรู้ทางตาทางหูเรียกว่าใจไม่ว่าจิตเนี่ยถ้าดูลงมานะตัวที่เรียกว่าทุกแทๆ้ๆก็คือกายกับใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าจบอกทุกให้รู้ทุกไม่ได้ให้ละนะคนในโลกนี้อยากละทุกนึกออกไหมอยากละทุกให้เปฆ่าตัว ต, วตายออาไหไม่อยากได้ไม่อยากฆ่าจริงๆรักทุกนะ รักตัวทุกอยู่แร้วกอดตัวกายตัวใจของเราไว้เหนียวแน่นที่สุดเลยสิ่งที่เรารักมากที่สุดนะก็คือตัวเราเองไม่ใช่รักแฟนนะถ้าสาวๆคนไหนมีหนุ่มมาบอกว่ารักคุณมากที่สุดในโลกนะบอกไปเลยว่ามูสา <c oughs> <c oughs> พูดเพราะๆนะอย่าไปบอกอีทตอแหลอะไรงี้นะไม่ไ่เราะบอกมูสา <c oughs> สิ่งที่คนเรารักที่สุดรักตัวเองนะรักตัวเอง มันรักเหนียวแน่นเลยมันก็อยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองไม่ทุกข์มีความอยากขึ้นมาก็ดิ้นรนนะดิ้นแล้วก็ไปกระทบกระทั่งไปเบียดเบียนคนอื่นเขาได้เพื่อว่าตัวเองจะมีความสุขเนะนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้จะเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันหนีทุกข์ไม่รอดหรอกร่างกายนี้นะไม่นานก็ต้องแตกสลายอยู่ไม่นานก็ต้องแตกสลาย จิตใจในี้นะเรามีความอยากอยากเจอคนนี้อยากอยู่กับคนที่เรารักใช่ไหมอยากอยู่ได้พักเดียวนะมันก็เบื่อใช่ไหมตอนก่อนจะแตง่งรู้สึกอยากแตง่งใช่ไหมแต่งแล้วก็งั้นๆนเลเนาะบางคนโอ้เมื <c oughs> ่อไหร่มันจะตายทีพวกผู้ชายชอบนินทาเมียแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดูยังก็มาอย่างนะผู้หญิงแตง่แตงก่อนแต่งก็พี่พี่จะพี่จ๋า ตไปไอ้แก่โลกไม่เที่ยงไม่เที่ยงเรามาดูของจริงนะดูของจริงในกายดูของจริงในใจไม่ใช่เรื่องยากที่คนคนหนึ่งจะเรียนรู้ความจริงในกายในใจของตัวเองอย่าใจลอยก็แล้วกันแล้วมาดูว่าจริงๆ ร, ร่างกายนี้สุขหรือทุกข์จริงจริงจิตใจในี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปื่อยถ้าเห็นได้มันก็ปล่อยได้เห็นไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้ก็แค่นั้นเองก็ทุกข์ต่อไปนะ นี่ทางผลทุกข์นะต้องทำเอาเองหนูพ่อช่วยไม่ได้หรอกตัวใครตัวมันเอาเท่านี้ก็แล้วกันเทศสี่สิบนาทีส5สบหนาทีใครมีความสุขบ้างยกมือซิใครตวนนี้มีความสุขบ้างดูใจตัวเองออกไหมกี้สบายใจใช่ไหมสังเกตไปใจที่กำลังสบายเนี่ยเริ่มนิ่งลงแล้วรู้สึกไหม มันเริ่มนิ่งลงแล้วเนะนี่ยดูอย่างนี้ขอ้อการ น, นครับ อ, อยากถามพระอาจารย์จาก3ขอ้อข้อแรกนะครับอะไรเป็นสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ข้อที่2นะครับอะไรคือเหตุให้เป็นสาเหตุแห่งการดับทุกข์นะครับและข้อที่สนะครับเมื่อชีวิตนี้เดินหน้าสู่ความตายเราจะปฏิบัติกับชีวิตอย่างไร ไดจะทำเช่นไรขอบคุณครับอะไรอะไรเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นะตัวอยากอาวิชชาตันหาอุปาทานนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ทำให้มีอยากนะความอยากทำให้จิตเกิดความดิ้นรนจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาศนะีลช่วยเป็นการฝึกอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิเป็นการฝึกจิตใจให้เรียบร้อย ปัญญาเป็นตัวให้ฝึกให้ใจได้เห็นความจริงของกายของใจนี่เป็นทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข้ออะไรอีกข้อนะเมื่อชีวิตนี้ทุกคนต่างเดินหน้าสู่ความตายแล้วเราจะปฏิบัติกับชีวิตเช่นไรเราจะทําอย่างไรกับชีวิต <laughs> หน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนรู้ความจริงนะเรียนรู้ความจริงของชีวิตให้ได้ถ้ารู้ความจริงของชีวิตได้แล้วไม่จะพ้นทุกข์หน้าที่ของเราแท้ๆก็คือ ทำยังไงจะยกระดับจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้แล้วนะวิธีที่จะยกระดับจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็มาเรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธคนที่เลิกเรียนแล้วคือพระอรหรันต์หรืชื่อว่าอาเสกขบุคคลคนที่ไม่ต้องเรียนแนละนอกนั้นต้องเรียนเรียนลงมาที่กายเรียนลงมาที่ใจนี่แหละเรียนให้เยอะๆเลยนะ้องไงอีก การเจริญสติปัฏฐานสีนี้เรามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับสติปัฏฐานสีเป็นวิธีเจริญปัญญาวิธีเจริญวิปัสสนาเนะบื้องตอน้นเราต้องมารู้อยู่ในกายในใจของเรานะอย่างถ้ารู้กายก็ได้นะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะแต่รู้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตที่สรงสมาธิอยู่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะในขณะนั้น มันจะได้เห็นความจริงนะแล้วก็สุดท้ายมันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจนี้ออกไปนะจุดสําคัญก็คือผูดง่ายๆเลหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้เรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะแต่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตก็จะเทคไซส์ไปเรื่อยเยเห็นอันนี้ก็ชอบไปอันนี้ก็เกลียดไปเรื่อยนะงั้นฝึกไม่ได้ยากอะไรหรอก หาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเสอย่างหนึ่งของคุณเนหะมาะกการดูจิตคิดเยอะนะพวกทิฏฐิจริตนะกรรมฐานที่เหมาะกับทิฏฐิจริตก็คือจิ ต, ตานุปัสสนากรรมฐานที่เหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือกายานุปัสสนาเนะงั้นเราดูนิสัยของเราก่อนถ้าเราเป็นคนช่างคิดนะสังเกตที่จิตเลยนะดูที่เรียกว่าจิตในจิต คำว่าจิตในจิตนะหมายถึงว er ่าเราเรียนจิตบางอย่างถ้าเราเข้าใจจิตบางอย่างเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดเรียนกายในกายหมายถึงเรียนกายบางอย่างนะถ้าเข้าใจกายบางอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างจิตในจิตเนี่ยเราไม่ต้องเรียนมากถ้านิสัยเราขี้โมโหนะเรามาเรียนจิตที่ขี้โมโหเราเอาจิตที่ขี้โมโหนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่สังเกตเรื่อยๆทั้งวันจิตมีสองชนิดเท่านั้นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธ คนไหนขี้โลภอยากนันอยากนี้ตลอดเวลาเรามาสังเกตดูทั้งวันจิตมี2ชนิดเองจิตโลภกับจิตไม่โลภนี่เรียกว่าจิตในจิตเรียนแค่นี้เองทั้งวันเราเห็นแต่ส่วนเราขี้โมโหเราก็เห็นทั้งวันเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่โกรธก็อยู่ชั่วคราวถ้าเห็นว่าอย่างนี้นะจิตมันจะสลบได้เลยว่าจิตทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราว จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตรงนี้แหละที่พระโสดาบันเห็นกันครับสี่ข้อแล้วสี่ข้อเลครับขอบคุณครับก็ขอสามข้อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นทําไงดีตื่นเต้นถ้ารู้ไปนะใจมันตื่นเต้นเราไม่ได้เจตนาจะตื่นเต้นดูมันทํางานอว่าไป อืมผมผมเป็นคนคิดมากแล้วก็คิดโมโหมผมใช้ความโมโหระดับระดับระงับด้วยการไม่โมโหใช้ความเกยียกระงับด้วยการไม่เกยียดผมผมพยายามทาอยู่แต่ผมอยากจะให้สำเร็จผลผมก็พยายามเข้า ศีลในธรรมเหมือนพระอาจารย์ท่านสอนอยากจะมีจิตตัวไหนที่จะบังคับให้เราทำได้แบบแบบแบบแบบเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาตธรริธรรมชาติของเราเคือขี้โมโหการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือการเรียนรู้ความจริงของมันนะไม่ใช่การดัดแปลงมัน เรามาเรียนรู้ลงไปในใจเราอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นสังเกตไหมมันโกรธชั่วคราวต่อไปนี้นะฝึกง่ายๆเลยเพอโกรธขึ้นมาให้รู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่เวลาโกรธเนี่ยอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธให้มาดูที่ใจที่กําลังโกรธนะถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันใจที่กําลังโกรธเนี่ยความโกรธจะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องหาทางแก้นะเมื่อไร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับอัตโนมัติเลย นี่เป็นกฎของธรรมะง่ายๆนะแล้วอย่างหนึ่งคนโกรธเก่งเนี่ยดีนะความโกรธนั้นเป็นกิเลสที่ล้างง่ายงั้นคนขี่โมโหเนี่ยเห็นไหมชีวิตเรามีแต่ความทุกข์รู้สึกไหมมันทุกข์นะมันเครียดนะทุกคราวที่โกรธไม่มีความสุขหรอกถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันจิตใจเราไม่มีความสุขแล้วรู้ทันไปมันจะหายเอง ง่ายๆแต่อย่างพวกโลบนะละยากพวกใจลอยนี่ละยากพวกโกรนนั้ละง่ายที่สุดเลย <c oughs> พวกคิดว่าโหละง่ายแล้วไงละ่ะ <c oughs> งง <c oughs> งงให้รู้ว่าง ง, ง <c oughs> ก, กาบนวัตกรรมหลวงพ่อนะคะคือหนูอ่า ฟังซีดีหลวงพ่อเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรจริงจังใหม่มากๆเลยค่ะการภาวนาก็เพิ่งจะมาช่วงหลังเนี่ยค่ะที่ที่เพิ่งจะเริ่มค่อยๆทําแต่รู้สึกตัวว่าค่อนข้างหลงมากเหมือนเรากําลังสมมติเราเดินในห้างสรสินค้าเนี่ยค่ะพอเราเดินไปแล้วเราก็จะดูว่าเออตัวเราเดินใจเรารู้สึกยังไงสักพักเราไปดูของผ่านไปอีก2ชั่วโมงเราก็เพิ่งนึกได้ว่าอุย้ยเรากําลัง ดูใจเราอยู่อย่างเนี้ยค่ะหัตใหม่ๆนะพุทธเจ้าถือสอนนะว่าให้สำรวมอินทรีย์ใชไม่เห็นได้ก็ดีะก็ เ, เห็นแล้วมันหลงง่ายงั้นเราตั้งกติกาไว้เราไม่ไปสูดกัดขาบ่อยให้ <c oughs> <c oughs> สำรวมอินทรีย์ไว้ก่อนเหมือนพระนะพระภาวนาใหม่ๆยังสู้กิเลสไม่ไหวเห็นผู้หญิงไม่ได้ชอบนะ ท่านก็บอกอย่าไปเห็นเลยอย่าเพิ่งไปดูถ้าดูด้วยก็อย่าไปคุยด้วยถ้าต้องคุยด้วยก็อย่าคุยเยอะให้มีสติตอนคุยเหมือนเรานะถ้าเราอย่าเข้าศูนย์การค้าแล้วเราหลงตั้ง3ามชั่วโมงนะเงินหายไปหลายปึกเลยก็นนะเราก็อย่าเลี่ยงๆนะอย่าเพิ่งไปเข้ามันหรือไม่ก็เวลาไปศูนย์การค้าก็ไม่เอาบัตรเครดิตไปไม่พกเงินเยอะจะเป็นตัวช่วย แล้วอยากจะเรียนสอบถามหลวงพ่อคะ่ะว่าจลิตแบบหนูคะ่ะแนวทางในการปฏิบัตินี่ควรจะดูดูอะไรก็ได้นะจะลิตกลางๆดูไปถ้าเห็นจิตใจได้ก็ดูจิตใจไปถ้าตอนไหนดูจิตใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันเดินไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวระวังอันเดียวอย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งให้นิ่ง ถ้าใจก็นิ่งอยู่ทั้งวันแนละ้วคอจ้องแล้วเพ่งเห็นร่างกายเคลื่อนไหวได้ใจทื่ๆอันนั้นไม่ถูกนะเราไม่ได้ไปเพ่งไว้อย่างรุนแรงรู้สบายๆเห็นไหมร่างกายพยักหน้าแค่นี้รู้สึกไปแล้วเราจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งได้เนี่ยเราเริ่มเดินปัญญาได้แล้วอย่านะแยกแยกขันออกไปละวอาจมหาบัวสอนว่า ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาไม่มีจริง น, นี้ตรงกับภาคปริยัตเลยปริยัตเนี่ยปัญญาตัวแรกเลยชื่อน้ำรูปปริเฉทะยานแยกรูปน้ำเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูฝนะึกบ่อยๆแล้วต่อไปก็เห็นอีกความรู้สึกในใจเราก่ะจิตใจของเราก็โคนลานนะ่ะความโกรธกับจิตใจก็คนละนั่นกันนะความสุขกับจิตใจก็เป็นโคนละนั่นกันค่อยๆดูฝึกบ่อยๆ ข้อสุดท้ายอะค่ะแล้วก็ควรปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะควรนะทุกวันอย่างน้อยไว้พ่าสวดมนต์อะไรนี้น ะ, ะแล้วก็นั่งสมาธิสักหานาทีสิบนาทีไม่ต้องแบบเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าต้องเดินจงคือหนูนั่งคือนั่งแล้วมีความรู้สึกว่าอเอานาฬิกาปลุกมาตั้งเหมือนเราบังคับตัวเองอืพอใจลอยแล้วก็กลับมามันมีความรู้สึกเหมือนต้องตามนาฬิกาไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องขนาดนั้น่ะใหม่ๆนะเอา หนาทีสิบนาทีพอเราภาวนาแล้วอย่างสบายๆนะมีความสุขหน่อยมันเพิ่มเวลาได้เองบางคนเริ่มต้นจะเอาหลายๆชั่วโมงวันแรกสามชั่วโมงวันที่สองสองชั่วโมงวันสุดท้ายไม่เอาละเลิกละแต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กๆนะค่อยๆภาวนาไปอ้าวยังสบายใจอยู่เลยหมดเวลาละอีกวันเยอะอัพขึ้นไปเรืย มีคนเรียนกับหลวงพ่อครับพ่อนาวันวันหลายๆชั่วโมงได้ทั้งที่ไม่ได้บังคับนะมันมีความสุขที่ได้ปฏิบัติมันจะเพิ่มเวลาของมันไปเองแล้วต่อไปเราจะรวมการปฏิบัติเข้ากับการใช้ชีวิตจริงๆรยืนเดินนั่งนอนนี่รู้สึกตัวทั้งวันเลยจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกได้ทั้งวันนะจิตเป็นกุศลอกุศลรู้ได้ทั้งวันเลยถ้าฝึกได้ถึงตรงนั้นเราจะมองโลกอย่างอีกแบบหนึ่งเลย จะเห็นโลกเนี่ยเหมือนฝันฝันโลกเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนความฝันเหมือนที่พระเจ้าบอกเลยคนในโลกนี้หลงหลงระเริงอยู่กับความฝันเราใ ค, ค่อยฝึกเราไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่ว่าเขาเห็นแค่นั้นนะใจเราจะถอนออกจากโลกใจออกจากโลกได้นะใจหมดความยึดถือในกายในใจได้มีความสุขเราจะรู้เลยว่า ตัวทุกข์ที่ท่านบอกก็คือกายกับใจนี่ถ้าเราไปยึดเอาตัวกายกับใจมาก็คือเราไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมาเกอดไว้นั่นเองพระอรหันตะ์าาก็ไม่ใช่คนประหลาดอะไรท่านเห็นความจริงของกายของใจแล้วท่านปล่อยวางนะท่านคืนให้โลกไปท่านไม่ได้ไปหยิบตัวทุกข์ขึ้นมาท่านก็พ้นจากตัวทุกขนะ์ก็แค่นั้นเองง่ายๆค่อยฝึกนะแต่แต่ต้องทําจริงๆครับขอบคุณค่ะธรรมสกานครับพระอาจารย์ ผมได้ปฏิบัติมาประมาณ5ปีโดยการดาวน์โหลดซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็อยู่ทางไกลครับก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมาส่งการบ้านการที่จิตเข้ามาอยู่ในวิหารรันธรรมนานเกินไปนี่ผมไม่ทราบว่าผมติดประคองหรือเปล่าตอนตอนนี้ประคองครับประคองก็คือเราน้อมจิตมาแล้วเราก็รักษาเอาไว้ครับ เราต้องใจกล้าๆจะ ต, ตอนถ้าใจฟุ้งซ่านนะเราประคองประคองไว้ก่อนนี้พอประคองพอใจเริ่มสงบแล้วปล่อยให้มันทํางานครัอยังจิตไปคิดทราบไหมจิตไปคิดทราบครับของโยมไม่มีปัญหาในเรานะขันก็ค่อยแยกแล้วดูออกไหมดูออกขันมันแยกแล้วพอขันแยกได้เราก็ดูขันแต่ละขันเขาทํางานเหมือนดูคนอื่นทํางานะเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่น เห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเหมือนเห็นรถวิ่งผ่านทางหลวนเท่านั้นนริศการครับ อ, อผมเริ่มปฏิบัติมาสักสามสี่ปีแล้วครับช่วงนี้มันรู้สึกว่าดูจิตแล้วมันรู้สึกมันตีวงแคบลงลงที่จิตไม่ใช่ลงที่จิตมันมันมันแคบลงแคบลงมันไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นใช่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นนะครับ มันวุ่นอยู่ยกับจิตของตัวเองมีมีหน้าที่ต้องยุ่งกับคนอื่นก็ยุ่งนะแล้วมันจะไม่ใช่พวกหนีโลกนะ <laughs> แต่ว่าความสนใจที่จะเรียนรู้เนี่ยมันจะค่อยๆบีบมงเข้ามาที่จิตจะเห็นเลยว่าโลกเนี่ยเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตานะไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่ถ้ามีหน้าที่ต้องยุ่งกับมันก็ทําหน้าที่เท่านั้นเอง <laughs> แล้วภาวนามไม่รวมลงที่จิตไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ถดถอยนะไม่ใช่หนี <laughs> แต่ก็ แต่ก็ปฏิบัติมีคือวางวางไว้ปฏิบัติไว้เป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบเอาไว้บ้างครับต้องทําครับถ้าไม่งั้นนะจะขี้เกียจเหมือนบอกบางคนบอกว่าจะเจริญสติในชีวิตประจําวันนะเหมือนเหมือนเจริญแต่ไม่เจริญหรอกนะจใจลอยซะเป็นส่วนใหญ่ดังั้นถ้าเรามีรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยทุกวันทํานะจะทําให้ไม่ตระเริดเปิดเปลงไป เราวจำเป็นไหมว่ารูปแบบต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่าควรจ ะ, นะ<ล>ะถ้ า, าทำได้เพรผมส่วนใหญ่จะจะส่วนใหญ่ถ้าทําทสมาธิก็อยู่ระหว่างทางไปนั่นไปนี่ไปนั่ไ น, นไปนี่ได้เก็บไปทีละ<ร>นิดหลวงพ่อก็<ๆ>ทาอย่างนั้นแต่ว่าตกเย็นตกค่ําเลยเนะี่ยหมดธุระแล้วเราก็มาภาวนาสักช่วงหรือถ้าเย็นๆเราภาวนาไม่ไหวนะเราตื่นเร็วขึ้นเราภาวนาแต่เช้าก่อนไปทํางานหลวงพ่อเก็บเล็กเก็บน้อยนะ กางวันกินข้าวเสร็จแล้วนะถ้าอืดอาดอิ่มอะไรงี้ก็ไปเดินเดินวิธีปฏิบัตินะเราทานข้าวเสร็จแล้วเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานเมื่อก่อนอยู่ในธรรมเนียบทานข้าวถ้าทานข้าวในธรรมเนียบนะก็เดินไปวัดเบญจฯเดินไปวัดโสมอะไรเงี้ยเดินไปตื่นแล้วก็เดินกลับได้เดินจงกรมนะถ้าเราอยู่ๆเรามาเดินจงกรมในที่ทํางานทั้งคนก็บ้า ทุกคนมันไม่รู้จักเนี่ยแล้วก็กลมเกลือนอย่างงี้ใครก็ไม่รู้ว่าเราภาวนาแล้วช่วงสองสามวันที่แล้วได้มีโอกาสไปวัดนะครับแไปเดินจงกรมเดินสักพักแล้วมันรู้สึกว่าตัววิหารทํามันมันมันไปจับนู่นมันไปจับตัวนั้นตัวนี้มันก็ให้รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่แต่ว่ามันมันก็รู้ตัวได้ปกตินะครับแต่ว่ามันวิ่งไปจับนั่นวิ่งไปจับนี่ก็รู้ทันจิตนะ เดิจงกรมมนะันรู้กายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะหรือถ้าจิตใจมันแสสายเดินไปเนี่ยจิตหนีไปนโน่นจิตหนีไป น, นี่คอยรู้ทันนะเนี่ยค่อยสงบเข้ามาแล้วแล้วก็อีกข้อหนึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าัไม่สังเกตมาคือศรัทธาของตังลดลงยังไงก็ไม่ทราบศรัทธาเนี่ยธรรมดาศรัทธาของผู้ทุชนนะขึ้นขึ้ น, นลงลง บางทีเราก็นับถือพระพุทธเจ้ามากนะถ้าคําสอนของพระเจ้าขัดกับกิเลสเราเราก็นับถือกิเลสเราเป็นกล่าวๆนะสัตตาสิ่งที่จะช่วยเรานะก็คื อ, อยังยาามีกนะัลยาณมิตรเราสัตาตาโตกับเพื่อนกำลังสัตตาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจูงกันอย่ า, กกยาไปคบไอ้พวกสัตตาตกด้วยกันเยอะแล้กันอาศัยสัตตาช่วยอาศัย คือศรัทธาเนี่ยมันจะค่อยๆแน่นแฟนขึ้นนะเมื่อเราเห็นผลของการปฏิบัติอย่างเราภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ของคนคนนี้เริ่มรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าแยกธาตแยกขันธ์ได้นะความทุกข์มันก็ค่อยๆห่างออกไปรู้จักแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างนี้จะค่อยศรัทธาค่อยมากขึ้นมากขึ้นตอนที่เราภาวนายัางไม่เห็นผลนะมันเหนื่อยล้มลุกลุกค ล, ลานเดี๋ยวก็กิเลสลากเข้าไปแล้นะ ศรัทธาก็แขว่งไปแขวงมาต่อเมื่อใด้เห็นผลของการปฏิบัติศรัทธาจะมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นพระโสดาบันเลยนะศรัทธาแน่นแฟนขอบคุณครั บ, รบกล่าวณมศการพระอาจารย์ค่ะคือช่วงนี้นั่งสมาธิตอนเช้าตอนแรกก็ได้ไม่กี่นาทีตอนหลังก็ได้เป็นสี่สิบ้านาทีถึงชั่วโมงได้ไมันค่อยๆเพิ่มนะแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองจะติดติ ด, ต ด, ตดนั่งสมถะอะไรบ้างไม่เป็นไรติดไปก่อน ติดดีกว่าติดอย่างอื่นหรอค่ะติดดูหนังดูละครสรู้ติดสมาธิไม่ได้ติดสมาธิแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจอยู่ตรงนี้เองที่ว่าจะติดหรือไม่ติดนะ่ยถ้ามีความสุขเกิดขึ้นนะเรายินดีพอใจแล้วไม่รู้ทันถึงจะติดแต่ถ้ามีความสุขอยู่นะแล้วก็ยินดีพอใจขึ้นมารู้ว่ากําลังพอใจไม่ติดหรอกแล้วอย่าง กน่กขนาดนี้ตัวเองติดสมาธิหรือว่าติดอยู่อย่างเงี้ยมีอกสืกว่าจะจะอย่างเนี้มันก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันนะถ้าใจมันเป็นแบบทื่อๆอยู่เนะะาะก็ทื่อๆก็ <c oughs> อยู่เงี้ยนะอย่างนะยางี้ไม่ได้นะถ้าติดสมาธิแบบนี้นะ ให้รู้ทันเลยนะรู้ทันร่างกายไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะค่อยๆสังเกตไปหรือออกไปกระทบอารมณ์บ้างตามองเห็นหูได้ยินเสียงอย่าไปประคองใจให้นิ่งนะ<อ>ลดการประคองที่ใจลงให้มันกระทบแล้วให้มันกระเทือนไปตามธรรมชาตนะิจะค่อยๆ ค, คลายที่ติดล็อกอยู่ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะนั่งต่อตอนนั่งสินั่งไม่เป็นไร นั่งแล้วติดแล้วรู้ว่าติดลยเดี๋ยวก็หาย <S <S อ, อยู่ๆไปเลิกปฏิบัติทำไมละ่นะติดไปก่อนแล้วรู้ว่าติดนะแล้วก็ออกมาเดินปัญญาให้มากขึ้นน้อมจิตที่สงบแล้วเนี่ยออกมาเดินปัญญาให้มากขึ้นมาดูร่างกายทีละส่วนไปผมคนเล็บฟันหนังดูเป็นส่วนๆ น, นะผมมันก็รูปร่างอย่างนี้นะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่ใช่ตัวคนหรอก ถึงเดินเราก็ไปตัดทีห น, นึ่งอะไรเงี้ยดูไปผมขนเล็บฟันหนังเลยดูไปส่วนส่วนไปให้จิตมันเดินปัญญาไม่ให้มันติดนิ่งติดเฉยแต่มันเฉยอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปมันไม่เดินปัญญาแสงว่าตัองตรงจริตกับดูจิตหรือว่าดูกายดูกายนะคะท่านดูจิตตอนนี้ไม่ได้รถ้าติดสมปทานะดูจิตมันจะนิ่ง ไม่มีอะไรให้ดูหรอกก็นิ่งๆอยู่างเงี้ยงั้นต้องมาดูกายกายานุปัสสนาเนี่ยถึงเป็นเส้นทางของสมถียานิกจิตตานุปัสสนาเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกงั้นถ้าเราทำสมาธิมากจิตทรงสมาธิอยู่ทั้งวันมาดูกายไหมไปดูจิตไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดูนิ่งแต่ถ้าเราจะดูจิตอย่าเพิ่งไปเข้าฌาน ถ้าเข้าสมาธิออกจากสมาธิแก็นิ่งอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรให้ดูดูจิตเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกสุขรู้สึกทุ ก, กข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตนะรู้ทันเข้าไปเลยนะถ้าดูจิตนะถ้าจะดูกายก็ทําสมาธิมาอย่างเนี้ยเสร็จแล้วก็มาดูร่างกายเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่เห็นร่างกายนี้เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆคนละทางกันนะทางเดินมีลายสาย ถึงเต้นมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ใจกระจายอะที่ผ่านมาทำในรูปแบบมากขึ้นสงบขึ้นแต่สติยังอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยตั้งมัน่นอ ะ, อ ะ, ออะเห็นกิเลสหน้าอายน่อเยอะมากแล้วก็รักการมีอยู่มากๆอะค่ะรักอะไรนะรักการมีอยู่เสียดายหวงแหนอะไรประมาณน้ไม่ต้องห้ามมันมนะรู้อย่าที่เขาเป็นเราไม่มีหน้าที่ละกิเลสหรอกปัญญาเกิดขึ้นมันค่อยละกิเลสของมันเองเรามีหน้าที่พัฒนาปัญญา เรามีสติคอยดูบ่อยๆนะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเดี๋ยวปัญญาค่อยเกิดเองแล้วก็วิปัสสนูที่มีก็คือว่างอะคะ่ะเยอะๆแ ล, แล้วก็อากาศเป็นเม็ดๆคิดว่าน่าจะใช่ น, นั้นเราสติแรงไป<า>เราเร่งเราสติแรงๆเห็นอากาศเป็นเม็ดๆคล้ายออกหน่อย<า>อย่าจงใจแรงทำให้สบายขึ้นแล้วเวลาสมาธิเกิดนี่จะสว่างขึ้น ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายขออารัธนาทุบเต็มที่เลยค่ะโอ้ไม่ได้มือไม่ค่อยดีอ๋อค่ะจะปฏิบัติต่อไปค่ะฝึกทุกวันนะฝึกไปไม่รีบร้อนไม่ขี้เกียจรีบร้อนก็ไม่ดีนะกาบนมาสการหลงพ่อค่ะตื่นเต้นมากเช่นกันนะเออที่ทำอยู่นี่มีพัฒนาการ บ้างไหมคะถามงั้นเลยเหรอมีสิแล้วที่ทําอยู่ก็ถูกเห็นกิเลสไหมเห็นจ้าค่ะนั่นแหละมันก็มีพัฒนาการนะค่ะเวลาจะทําผิดศีลละอายใจไหมละอายเจ้าค่ะนั่นแหละมีพัฒนาการจิตใจอยู่กันโนก็ตัวบ่อยขึ้นแหมเห็นเห็นว่าหลงไปบ่อยขึ้นเจ้าค่ะเห็นว่าหลงบ่อยก็คือจิตใจกลับมาบ่อยค่ะเจ้าค่ะนั่นแหละพัฒนาการเห็นหรือเปล่าว่ากายกับจิตเป็นโคล่านกัน อันนี้ไม่เห็นตจ้<อ>าค่ะต้อ ง, งพัฒนาต่อไปอีกกับขอบพระคุณ <c oughs> นะดูไปร่างกายเส้นไหวใจเป็นคนดูนะเราเป็นคนรักสวยรักงามใช่ไหมรักสวยรักงามเนี่ยดูร่างกายบ่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาก็ดูอย่าเพิ่งไปล้างหน้าดูก่อนนะดูกระจบก็ได้นะดูเรื่อยๆกล่าวณมัศการหลวงพ่อนะครับอวันนี้ มาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือมาน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วครับ hmm. ก็รู้สึกว่าตัวเองรู้รู้รกิเลส เ, เห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นมีมานะอัตตามากในขณะที่ฟังหลวงพ่ออยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองมีมานะอัตตาอยู่เหมือนกัน hmm. แล้วก็ช่วงที่ร อ, อ, อไมโครโฟนก็รู้สึกว่าตัวเองมีความอยากที่จะพูดอื hmm. ครับ ก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ที่ตัวเองทําอยู่นี่ต้องมีอะไรปรับปรุงไหมครับถ้าเห็นกิเลสได้นะั้นก็ดีแล้วละ่ะนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปเลยกิเลสนี่แหละศัตรูทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขความสงบนะคอยรู้บ่อยๆแล้วก็อย่าไปล่ามันนะครับแค่รู้นะถ้ารู้แล้วมันลาของมันเองถ้าอยากลากิเลสนะตรงที่อยากละนะัมันเป็นกิเลสซ้อนกิเลสแล้วครับ ตอนนี้ผมเพ่งเยอะไหมครับแน่นไหมก็มีบ้างนิดหนึ่งก็เพ่งบ้างนิดหนึ่งครับก็แค่นั่นเองนะเครื่องวัดมันง่ายนิดเดียวครับถ้าเพ่งเมื่อไหร่ก็แน่นเมืนั้นแหละครับของผมนี่ควรจะดูกายหรือดูจิตดีครับช่างคิดไหมล่ะเจ้าความคิดไหมเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ต้องดูจิตเอานะ ดูกายยากเพราะว่าดูกายต้องทําสมาธิก่อนทําสมาธิชานาญไหมล่ะไม่ไม่ไม่ชำนาญนะหลวงพ่อเขาว่าอย่างนั้นเลยนั้นดูจิตไปครัแต่ทําดูกายได้ดีจิตต้องมีสมาธิเยอะพอสมควรขอบพระคุณครับคนช่างคิดเนี่ยสมาธิมันจะน้อยนะแล้วต้องใช้ความช่างคิดกับปัญญาเนี่ยใกล้เคียงกันถ้าคิดแล้วเราไม่มีสติไม่มีจิตตั้งมั่นเขาเรียกว่าฟุ้งซ่าน ให้คิดแล้วเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนะจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูอันนั้นแหละเจริญปัญญาหลวงพ่อพุทธใครเคยรู้จักหลวงพ่อพุทธฐานิโยบ้างใครได้ยินชื่อมีไหมหลวงพ่อพุทธใครบอกกับหลวงพ่อว่าการเดินปัญญากับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวเองฟุ้งซ่านเนี่ยจิตใจมันปรุงอะไรต่ออะไรเราไม่รู้ทันการเดินปัญญาเนี่ยจิตใจมันปรุงอะไรขึ้นมานะก็ปรุงเหมือนที่ฟุ้งซ่านนะแต่เรารู้ แค่นั้นเองขอโอกาสหนึ่งคําถามครับเ อ, อ, เ อ, อพระโสดาบันนะครับยังมีถลำรู้ยังมีประคองไหมครับมีพระนาคาอย่างประคองเลยแต่ประคองเนียนจนกระทั่งเหมือนไม่ได้ประคองเลยแท้จริงอย่างพระนาคานะยังรักษาจิตอยู่เพราะนั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าจิตเที่ยงจิตผู้รู้เที่ยงจิตผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้นะเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นะ สูงสุดที่คนคนนี้เป็นอยู่นะคือพระอนาคาแต่ส่วนมากไม่ถึงคิดเราติดสมถะอยู่เฉยๆครับก็ได้เวลาอันควรแล้วครับก็ลำดับต่อไปผมขอเป็นตัวแทนญาติธรรมแล้วก็เจ้าภาพนะครับในการถวายเครื่องปัจจัยทายาธรรมนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยตั้งจิตน้อมจิตร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ ด, ด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลลนานเทินสาธุความเมตตาหลวงพ่อช่วยให้พรด้วยนะขอพรนะพรต้องทำเองนะ ผ่อนใหน้ให้กำลังใจผ่อนแปลว่าความประเสริฐความดีชาวพุทธเราให้ความดีกันไม่ได้ต้องทําเองให้นี่ให้กําลังใจให้ทําดีนะยถาวารีวาฮาปุราปิริปูเรนตีสาครังเอวามวัยตัวที่นั่งเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิบมเมวาสมมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันทปนาทปันรโสยธามณีโชติรโสยาทาสพีติโยวิวัชันโตสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุกโกภาวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุธาปจจายโนจัตตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังแปลออกไหม อภิวาทนาสีริสณิตจางวุทาปจัยยิโนบทนี้เราเราแปลดได้อันเดียดนะอายุวันโดสุขังพลังเนี่ยก็จริงเป็นคําสอนในการปฏิบัติเหมือนกันนะการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อ่ะจะทําทให้เรามีอายุวันนาสุขาพลาไปก่อเรื่องกับผู้ใหญ่ก็อายุสั้น <Yeah. S 2> <laughs> ไม่มีอายุวรนนาหรอกเนี่ย กันทีเป็นคำสอนทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องที่ต้องทำทั้งนั้นนะชาวพุทธเราขอฟรีไม่มีมีแต่เรื่องต้องทำนะเราเป็นชาวพุทธที่แท้ๆนะค่อยๆพัฒนาเดี๋ยวหลวงพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวเขาให้ไปชั้น2ด้วย